أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان لل ول إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ل ع ل ي الأظيم رب ا ش ر ح ل ي ص د ي ر ي ويسد لأملي وحد ا ل ك ت لساني يفقو قولي لبزدنا إلما نافعا و ق نا الم نا ر س ك ا طيبا وعملا م ت ق ب ل ا فقر ق الله تعالى في الكتاب الكريم بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم كالأفلح من تزكى وذق رسم ربه ف ص ل ى بدؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي ا ل ص ح ف الأولى ص ح ف ي إبراهيم وموسى. ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของการอธิบายกุรอานเราคงอยู่ในช่วงของ سورة آل อาละซึ่งเป็นหนึ่งในพระนามของพวกอ AH สซูบาหนุ่มหัวตะลาผู้ทรงสูงส่งนั่นเองนะครับผมอาลพี่น้องที่รักยิ่งครับพวกลอ AH ได้กล่าวในความเดิมตอนที่เราที่เราพูดคุยกันแล้วนะครับว่าฟอรยเกียรอินนาฟาติดิกรอเซย์เกกรูมยักเชวายาจันลอชกัลดยสลนารนุบาร์จงตักเตือนกันสี่พ่อแน่นอนเนี่ย การตักเตือนนั้นจะยังประโยชน์หรือแปลได้อย่างก็คือหากการเตือนนั้นเป็นประโยชน์ซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนในการการเตือนนั้นเนี่ยยังประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยที่สุดยังประโยชน์กับตัวเราแล้วิชาวล้อมันยิ่งดีครับถ้ามันจะยังประโยชน์กับบุคคลที่เขากําลังทําผิดอยู่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วครับว่าหนึ่งในวิธีที่เราใช้ในการรับมือการอยู่กับคนที่ไม่ดีก็คือการเตือน เราได้คุยกันไปแล้นะครับว่าเครก็ตามที่มีเพื่อนที่ไม่ดีนะครับเพื่อนไม่ดีเยอะๆเนี่ยก็แล้วสะบัดเขาไม่หลุดสักทีนะครับวิธีรับมือไม่ยากเลยเห็นเขาทําอะไรผิดเตือนเลยเห็นเขาไม่ได้ทําอะไรที่ควรจะทําบอกเลยพูดไปบ่อยๆครับรอินชาลอัลลอฮ์ชัยดายะเขาหรือถ้าเขาไม่สามารถจะเปิดใจรับจริงๆเดี๋ยวเขาก็ไปจากเราเองซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีนี้นะครับใช้ได้เช่นเดียวกันกับคู่ครองนะครับผม บางคนเอาลอทดสอบบางท่านลอทดสอบอาเจอสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเอาสูตรนี้ไปใช้พี่น้องเตือนเนี่ยแหละอย่าลืมนะเตือนดีๆเตือนแบบเอาน้ําเย็นเข้าลูบเตือนแบบไม่ต้องมีอารมณ์โกรธเกยียดเตือนแบบอยากให้เขาได้ฮีดยียะากจริงๆสมมติสามีไม่อยากรุกมาลลามาดที่รักป้าได้เวลาละหมาดลุกมาละหมาดหรือภรรยาไม่อยากรุกมาลลามาดท่านละบีวัสตันบอกว่าไงครับก็ให้ปุกถ้าจําเป็นก็เอาน้ํามาผมหน้าเบาๆไม่ใช้น้าํามาราดนะพี่น้อง อ น, น้มาพรมพให้พอตื่นแล้วพูดดีๆป้าและลูกไปละหมาดกันสิ่งที่สําคัญมากในระหว่างคู่ครองก็คือจําเป็นต้องเตือนกันได้แล้วจําเป็นต้องเตือนกันอย่างอ่อนโยนอันนี้สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าณจุดหนึ่งของชีวิตนะครับบางคนบอกกัจจานกัจจานแต่ ง, งานไม่นานหรือเปล่าหรือไม่รู้เรื่องหรือเปล่ามันถึงเวลามันเห็นหน้ามันก็ลมขึ้นมันอยากจะดดามันอยากจะวีนแตกมันอยากจะอะไรแล้วสงบสตอารมณ์ก่อน สงบนิดนึงสงบใจนิดนึงอยากชวนคิดก่อนว่าเรายังสามารถพูดดีกับคนอื่นได้อยู่หรือเปล่าถ้าเราสามารถพูดดีกับคนอื่นได้กับคู่ครองเราต้องพูดดีมากกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นเขาจะยังไงไม่รู้แหละเราไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาไงแต่คนของเราเนะี่ยเราต้องรับผิดชอบเขาแล้วเขามีส่งผลให้กับเราได้ด้วยว่าเราจะเมตตาเราหรือไม่เมตตาเราเนี่ยก็ผ่านเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องช่างน้ําหนักให้ดีนะ คือบางคนเนี่ยพูดดีพูดหวานเอน็นดูอ่อนโยนกับคนรอบข้างได้หมดยกเว้นคู่ครองตนเองอันนี้ต้องสับสนตัวเองแล้วคือแน่นอนเชตตอนมั น, มนอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วแหละเชตตอนมันไม่อยากให้คนที่ควรจะรักกันมารักกันบางทีมันให้เราไปพูดหวานกับคนอื่นบางทีคู่ครองเห็นน้อยใจบางทีคู่ครองเห็นหึงหวงหรือบางทีมันอาจจะส่งผลต่ออารมณ์เขาโดยตรงก็ได้ พี่น้องพูดตรงๆนะความคิดเหมือนกับความคิดนอกใจหรืออะไรประมาณเนี่ยบางครั้งมาเจอมาจากความเศร้าที่เราไม่ได้รับสิ่งที่คนจะได้รับจากคนของเราเกิดขึ้นเยอะมากครับผมที่ว่าถล่มลึกที่ว่าไปมีความรู้สึกดีกับคนอื่นเนี่ยซึ่งก็จะนําไปสู่สิ่งไม่ดไม ด, ไดีตามมาทั้งหมดเป็นแผนการใช่ตอนพี่น้องเริ่มจากการใส่ใจกันให้มากขึ้น ถ้าพี่น้องไม่กล้าด่าคนอื่นที่พี่น้องเพิ่งเจอพี่น้องก็อย่าด่าคนของพี่น้องไม่ใช่คบกันมาสิปีแล้วด่า ก, กันได้ไม่ใช่ท่านอับดุลสลามไม่เคยด่าใครเลยโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวของท่านท่านยิ่งดีที่สุดหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพี่น้องจาได้ใช่ไหมที่เราพูดคุยกันเป็นประจรรราําคอยรุกุมคอยรุกุมหรอฮลิฮีหัวอนาคอยรุกุมหรออฮลีคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านนะ่ะคือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของฉัน อ๋อครับคนที่ดีที่สุดในหมู่ข้าท่านคือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเขาและฉันน่ะดีที่สุดกับครอบครัว ข, ของฉันแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านอับดุลมุสะลอยสลัมเวลาอยู่กับคนนอกท่านเป็นคนดียังไงเมื <t ans> ่ออยู่กับคนในครอบครัวท่านดีกว่านั้นโจทย์นี้หินมากพี่น้องอยากมากๆเลยเพราะกับพวกเราที่มีครอบครัวที่มีคู่ครองที่มีสามีที่มีภรรยาโจทย์นี้ยากมากๆผมยอมรับตรงๆเลย <t ans> เลย <t ans> พราะอะไรครับเพราะความคุ้นเคยไง ความคุ้นเคยบางทีเขาทําดีเราไม่เห็นค่าแล้วก็ไม่ขอบคุณเขาเรารู้สึกว่าก็เรื่อมปกติแต่พอเขาทำอะไรขัดใจรู้สึกว่าเราต้องพูดเราต้องด่าเราต้องว่าแต่พอออกไปนอกบ้านปุ๊บใครทําอะไรขัดใจเะไรนิดนึงอ๋อไม่ได้เจออะไรเขามาก็เจอครั้งเดียวในชีวิตก็สั่งเทปหรือบางทีเออเขาหน้าตาน่ารักหน้าตาชิมลิ้มเขาพูดดีเขาอะไรเออไม่เป็นไรยกให้อันนี้คือความผิดพลาดนะพี่น้องความผิดพลาดนะอีกครั้งหนึ่งแปลว่าถ้าเราอ่อนโยนกับคนนอกบ้านสมมุติว่าได้สิบหน่วย กับคนในบ้านอย่างต่ำต้องสิบเอ็ดหน่วยเราถึงจะเข้าข่ายคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเขาเพราะอย่าลืมครับคนนอกก็เหมือนกับเราไงคนนอกพอเจอคนในครอบครัวของเราเขาก็พูดดีด้วยไงถูกไหมครับคนนอกเวลามาเจอครอบครัวของเราอ่ะเวลามาเจอสามีเราอ่ะเวลามาเจอภรรยาเราอ่ะเวลามาเจอลูกเราเขาก็พูดดีด้วยเพราะเป็นคนแปลกนา แต่ท่านอาบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านนะเขาต้องดีกับครอบครัวของเขายิ่งกว่าที่คนแปลกหน้าดีกับครอบครัวของเขาโจทย์ยากขึ้นไหมยากขึ้นแต่ถ้าใครทําได้พี่น้องผลตอบแทนมันมันมันยิ่งกว่าคุ้มนะครับมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เจาะจงใครผมไม่ได้ว่าใครแล้วผมก็ไม่ได้บอกผมประเสริฐเหนือกว่าใครผมก็ต้องทําตรงนี้ให้ได้เช่นเดียวกันก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ผมสามารถทําดีกับครอบครัวผมให้ได้มากกว่าที่ผมทําดีกับ คนนอกบ้านพี่น้องก็ต้องทําอย่างนี้ให้ได้เช่นเดียวกันประเด็นสุดนี้เอาไปใช้พี่น้องถ้ารู้สึกว่าคู่ครองของเราไม่ดีถ้าเป็นเราสูว่ามันมันแย่มันขอโทษขออภันะครับถ้าพป็นเราสูว่ามันชั่วสุดสุดนะพี่น้องเตือนกับเขาดีๆพูดคุยกับเขาดีๆบา่คนบอกเขาเยอะไม่เทนกับฉันไม่ต้องห่วงเอาเขาวาเรื่องเขาเก็บไปก่อนอันนั้นเขากับอละไรเอาเรื่องเราก่อนเอาตัวเราก่อนเราทําให้ได้ก่อน ต่อให้เราทําแล้วเขาไม่ทําก็จบแล้วก็แค่นั้นไงเราทําแล้วดุนยาเดี๋ยวมันก็ตายได้มันก็จบพี่น้องเราทําเพื่อให้ลรักเราถึงเวลาเราก็เตือนเขาดีๆเตือนแบบด้วยความหมงยยพี่ละหมาดเถอะนะพี่น้องไม่ค่อยเห็นพี่ละหมาดเลยพี่ละหมาดเถอนเตือนไปทุกวันเลยพี่น้องเตือนไปเลยทุกวันถ้าเขายังจะเป็นคนดีได้อยู่เขาจะเตาบ้าพี่น้องถ้าเขาเป็นคนดีไม่ได้แล้วพี่น้องเชื่อผมเดี๋ยวถึงเวลาพราูดล้อจาวเขาไปอย่างแหะ ไม่รูปแบบหนึ่งก็รูปแบบใดบางครั้งมุสเนาะบ้านเราเนี่ยก็แบบภาษิตคนไทยบางทีก็ยึดติดอะไรที่มันผิดผิดคําพูดที่บอกว่าไงนะครับเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียสามีให้ใครบางคนคือสามีจะชั่วคแค่ไหนคือเป็นสามีแล้วฉันไม่อยากเปลี่ยนแล้วทั้งๆที่เขากาลังจะลากเธอลงงินลบอยู่แล้วพี่น้องโลกหน้าความคิดนี้มันจะหายไปผมขอเตือนจริงๆนะครับผู้หญิงบางคนรัก สามีเกินขอบเขตของล้อหรือสามีบางคนรักภรรยาเกินขอบเขตของล้อผมขอเตือนด้วยใจจริงครับไอ้โลกเนี่ยไอ้เรารักเราหลงเราผูกพันเราอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้ามันเกินขอบเขตของพวกล้อโลกหน้าตัวเราเองเนี่ยจะชี้หน้าด่าเขาไอ้คนที่เรารักบอกว่าเนี่ยเพราะแกนั่นแหละทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้ตัวอย่างชัดเจนที่สุดอบูและฮับเนี่ยพี่นอ้องรักกันปานจะกินกินช่วยกันในทุกเรื่องฉัดขาดเธอไม่ได้เธอขาดเขาไม่ได้ ลกูกแม่ผู้เล่าบอกไงครับวอมรตูทำ ม, มาแต่ตาท็อปลกกแม่ไม่ใช่แค่ชี้หน้าด่านะภรรยาเป็นตัวเอาฟืนเป็นสมให้กับภรรยาสามีให้สามีโดนให้มันหนักขึ้นไปอีกพี่น้องบางคนบอกเออวันนี้อาจารย์มาแปลกพูดเรือ่องครอบครัวไม่ได้พูดนานคือก็อย่างที่บอกนะครับคอสครอบครัวนะยังตั้งใจที่จะเปิดต่อนะครับแต่ว่าเวลามันไม่มีนะครับผมไว้ถึงเวลาจะได้กลับไปคุยต่ออินชาอัลลอฮ์นะครับผมแต่นี้ได้โอกาสก็ถือว่าคุยกันแล้วกันว่าเวลารับมือ กับคนที่เรามองว่าเขาไม่ดีบางทีเขาอาจจะดีเราไม่รู้แต่ที่แน่แน่ก็คือวิธีรับมือเนี่ยให้เตือนเขานั่นแหละเตือนเขาเลยเตือนแบบดีๆเตือนแบบมารยาท ด, ดีต่อให้เขาบอกไม่ให้มาทำเป็นเคร่งเราเราเราเราตรวจสอบเองถ้าเราคิดวเราเตือนดีๆเขาจะพูดยังไงจะไปแค่คําพูดเขาทําไมถ้าเกิดเราแคร์ล้อถูกไหมครับแล้วก็แค่พ All, ์พูดล้อดีเขาจะด่าว่าเราเขาจะอะไรงไงเราเราทำเพื่อรอเมื่อไรก็ตามที่พี่น้องคิดว่าทำเพื่อรอพี่น้องจะไม่แค่์คำพูด แต่ที่เรายังเครียดอยู่ทําไมเฉนทําดีเขามาด่าว่าเขาพี่น้องต้ตรวจสอบเองแปลว่าเราทําดีเพื่อเขาใช่ไหมไม่ใช่ทําดีเพื่อ Allah ถ้าทําดีเพื่อ Allah เราจะไม่สนคําคนลาตะฮูดูฟินลาฮิเลามาตาลาอิมเราจะไม่สนพวกคำข้อนแค่พวกคำํำจ่าพวกคํานินทาหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนกับบางทีครับมีนักศึกษามาถามมาบอาจารย์ฉันทำอยางดีเนะกับสายตาที่ชอบทิมแทง โดยความมุสลิมนะครับเวลาอยู่ในรั้วหมาวิทยาลัยใช่ไหมครับบางทีก็อยู่กั บ, บเพื่อนที่เป็นกาเฟสก็มีทั้งกาเฟสที่เขาพยายามเข้าใจเรากาเฟสที่เขาเปิดใจรับกับกาเฟสที่เขาเป็นศัตรูอย่างชัดเจนเขาบอกบางทีเนะจอสายตาทิ่มแทงจะทํำยังไงดีคําตอบเมื่อเมฆไม่เห็นต้องทําอะไรเลยจะไปทําอะไรทําไมคืออารมณ์พี่น้องประมาณว่าเรามีของดีที่สุดในมือเนี่ยแล้วมีคนมามองทิ่มแทงเราเนี่ยเราต้องไปแคร์เขาไหมล่ะ ก็จะนัมีของดีแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแคร์เช่นเดียวนะครับนี่คือวิธีรับมือนะระดับหนึ่งหวังว่าอยากใช้พี่น้องเอาไปลองใช้ดูยิ่งเกลียบใครมากๆแล้วเขามาคุกคีกับเรามากๆเตือนมากๆเลยเตือนแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะเตือนแบบรูปแบบดีๆอะ่ะสั่งใช้แบบรูปแบบดีๆเนะี่ยพี่น้องลองดูมันจะมีทั้งเลือกแค่สองทางแหละเขาจะดีขึ้นไม่งั้นก็เขาจะจากเราไปเอง ถ้าเราไม่หยุดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเราเลิกเราท้อเราอะไรเราก็จะโดนเขาดึงไปมันเป็นแบบนั้นครับถ้าเราไม่สามารถทําให้เขาดีขึ้นได้เราก็จะแจกจากกันหรือไม่งั้นเราจะแยกเสเองแม่าจาจเขาทค่วัปนี้มาทักนะครับจะสากคุณรักคารองครับผมคุณไม่ดีให้กำลังใจขอบคุณมากครับอ่าคุณหมอสากีนะแหละครับอ่าวันนี้ตัวคุณหมอผู้หญิงนะครับซาลามาแม่รับฟังตรงประเด็นหรือเปล่าเนี่ย อัลลอฮุวซาราห์มตุลลอหบบรักกาตครับหวังว่าหวังว่านะครับจะไม่ทำร้ายจิตใจใครทักคนนะครับิชาละนะครับคุณวนิดาสลามาธีพาชัดเจนดีแล้วคุณสวัยนะครับทุ่งครุอัลลามาอ ล, ลุซาห์มุตุลลอบรกกาตูคุณออกอนกระดากรนกระดาขอมับถ้าผมออกเสียงผิดจ น, น่เนะโอเคถูกแน่นอนครับสลาห์มาอลุซลา์มุบตุลลอห์บออบารักกาตูเอาครับเวียดจันาภาละอัชกอคนที่ไม่รับฟังคาตักเตือนจะเป็นยังไงอ่ะพี่น คือจริงๆผมผมไม่ได้สอนส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีความเครียดแค้นต่อกันนะครับเพียงแต่หมายความวแบบ่าถ้าพี่น้องเกลียดใครมากๆจริงๆนะพี่น้องให้อภัยเขาในส่วนที่เราให้อภัยได้ทำดีกับเขาหรือถ้าสุดๆของสุดๆของสุดๆพี่น้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวโลกหน้าไปรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเราต้องรอดนะ อย่งางน้อยที่สุดเราต้องเอาตัวเองให้รอดนะเขารอดไม่รอดเขาตอบว่ารอแต่เราเนี่ยต้องรอดแล้วเราไปรอดูว่าลกแน่จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนที่ไม่รับฟังคำตักเตือนวายยตาญนาบุฮัลอัชกอเราบอกไปแล้วคนนี้โชคร้าที่สุดอัลลดียัสลานนารุลกุบารอเขาคือผู้ที่จะต้องเข้าไปในไฟนรกที่ทรมานแสนสาหัส ในการเข้าไปในไฟนรกเราบอกแล้วนะครับเข้าไปหลายรูปแบบเข้าไปแบบยอมจํานวนแต่โดยดีหรือว่าโดนผลักดันหรือว่าโดนลากโยนเข้าไปไม่ว่าจะรูปแบบไหนไม่ดีสักอย่างแล้วก็ไม่อยากจะเกิดขึ้นกับพวกเราสักคนอันนัอัลกุบบรอพี่น้องไฟที่ไฟนรกที่ยิ่งใหญ่ทําไมต้องใช้คำว่ายิ่งใหญ่แค่ไฟก็น่ากลัวสุดๆแล้วนะครับผมกุบบรอยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเกิดเราแปลว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยพี่น้องคิดถึงอะไรครับ คิดถึงที่ที่มูนาฟิกต้องไปอยู่คนกับกออินเลมูนาฟิกีนาฟิดดารกิลอสฟารีมินานานมูนาฟิกนั้นต้องอยู่ในนรกขั้นต่ําที่สุดแล้วเจ้าจะไม่พบว่ามีใครช่วยเหลือเขาได้ในสลาเนอซาถ้าพวกเราบอกว่าคนที่ไม่ฟังคําตักเตือนต้องไปอยู่ในไฟนรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันจะต่างอะไรกับมูนาฟิกหรือเราสามารถพูดได้เลยว่าคนที่ไม่ชอบฟังการตักเตือนเขามีคุณลักษณะของมูนาฟิกแล้ว เพราะมูนาฟิกคือคนกับกรอบมูนาฟิกคือคนบอกฉันศรัทธาแต่ถึงเวลาไม่ทําตัวแบบฉันสนศรัทธาฉันศรัทธาแต่ครเตือนฉันไม่ฟังมูนาฟิกถูกไหมล่ะครับมันก็คือคุณลักษณะของมูนาฟิกซึ่งอันตรายครับผมอันตรายครับเพราะฉะนั้นครับเช่นเดียวกันครับผมใครก็ตามที่ปฏิเสธสัจธรรมทั้งๆ ท, ที่มีการเตือนแล้วเขาออกห่างเขานี้ออกห่างก็ระวังให้ดีครับผม พี่น้องที่รักครับในบันทึกจากท่านอบブยาร์นะครับที่เราพูดคุยไปแล้วว่าไฟนรกที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นไฟนรกที่ว่าเป็นแค่ส่วนเศษเสี้ยวขี้ปติ๋วหนึ่งนะครับของไฟที่พุลอสเตรียมไว้ลงโทษซึ่งเกินจินตนาการพุลอสุบาฮาตารีพูดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟนรกในเช้าแล้วเราจะคุยกันอย่างละเอียดในสุระอื่นนะครับผมเพราะว่าเรื่องไฟนรกเนี่ยในยุสอัลมาเนี่ยจะมีพูดถึงบ่อยหน่อยก็เรายกไปคุยกันแบบละเอียด ในที่ลวกันอินชาอัลลอ์นะครับผมดดยนี้ต่อมาครับลุมมาลายมูตุฟีฮะวาลายฮียะหลังจากนั้นครับเขาก็จะไม่เป็นแล้วก็ไม่ตายวักนี้ครับเป็นหนึ่งในวักที่ผมไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงบ้างผมไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงบ้างลุมมาลายมูตุฟีฮะวาลายฮยะ แต่วักนี้วักเดียวนะครับเป็นวักที่มันเกินจินตนาการเราพอจะเข้าใจได้ลางๆพอจะเข้าใจได้ลางๆแต่เราไม่มีทางเข้าใจจริงนอกจากคนที่ไปเจอสภาพนี้แล้วยะมูดไม่ตายวาลายาะยะแล้วก็ไม่เป็น อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นไม่ตายภาษาไทยเรามักจะได้คำว่าตายทั้งเป็นเชื่อผมครับไม่มีหรอกครับในโลกใครที่ว่าตายทั้งเป็นจริงๆมันเป็นการเปรียบเทียบบางคนบบทรมานจริงจริงอยู่กับคนเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นไม่หรอกมันยังไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าตายทั้งเป็นคําว่าตายทั้งเป็นหรือถ้าเราจะเรียกในภาษาละวว่ายามูตูฟีฮาเวลายะยาเนี่ยมันยิ่งกว่าคาว่าตายทั้งเป็นเพราะตายทั้งเป็นคือเหมือนกับตายแล้วแต่นี่คือพวกนัาใช้คําว่าจะเรียกว่าตาย มันก็ไม่ตายจะเรียกว่าเป็นมันก็ไม่เป็นเพราะอย่างที่พวกเราทราบครับเมื่อวันเกียมม้ามาถึงเนี่ยพวกล้อสุบาโนตราจะเอาความตายมาให้ชาวสวรรค์ให้ชาวนารกเห็นพวกล้อนำพาความตายมาในรูปรักษ์ที่ว่าคล้ายๆกับแพะคล้ายๆกับแกะแล้วพวกลราก็จะบอกให้รู้ว่านี่คือความตายแล้วพวกลราก็จะสั่งให้เชือดความตายเองก็ถูกฆ่าให้ตายมันแปลว่าอะไรครับพี่น้องเมื่อความตายตายไปแล้ว ก็แปลว่าจะไม่มีใครตายอีกเมื่อ น, นั้นแหละครับชาวสวรรค์จะมีความสุขที่สุดเพราะเขาอยู่ในสถานที่ที่มีความสุขที่สุดที่มันเกินจินตนาการแล้วได้รับการรับรองว่าเขาจะไม่มีวันตายเป็นความสุขที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆแล้วพี่น้ององตัดภาพไปอีกฝากอีกฝากหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งความรู้สึกของชาวนรกจะเป็นยังไงความทรมานที่ว่ามันเกินกว่าคําว่าทําให้ตายได้ได เป็นเป็นไงไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีใครสักคนในหมู่พวกเราที่เจ็บจนตายใช่ไหมครับไม่มีไม่มีมีแต่เจ็บเจียนตายแต่ไม่มีใครเจ็บจนตายเพราะถ้าเจ็บจนตายคงมาฟังบรรยายไม่ได้ก็คงอยู่หลุมศพก็คงอยู่ที่ไหนไปแล้วเรามีการย้ํากันหลายครั้งแล้วผมก็คงต้องย้ำไปเรื่อยเพื่อเป็นการเตือนสติผมแล้วก็เตือนสติพี่น้องความทรมานที่ทําให้ถึงตายเนี่ย มันคือขั้นสุดของดุนยาคุณจะเป็นคนดีคุณจะเป็นคนชั่วคุณจะถูกทดสอบผายตายในโงรงพยาบาลถูกทดสอบผายตายที่บ้านไม่ว่าคุณจะถูกทดสอบอยังไงถ้าคุณทรมานจนตายคำว่าตายคือที่สุดของความทรมานถูกหมครับคำว่าตายคือที่สุดแล้วคือมันถึงขีดสุดแล้วของความทรมานมันก็เลยตายแต่เมื่อไม่มีคำว่าตายเมื่อคำว่าตายหายไปขีดสุดที่ว่าเนี่ย มันยังทรมานไปได้อีกสมมุติเราเจ็บหนึ่งละเจ็บสองเจ็บสาเจ็บสี่เจ็บห้าหน่วยเจ็บหหน่วยถ้าเราวัดเป็นหน่วยนะถ้าความเจ็บปวดทรมานที่ทําให้เราตายเนี่ยอยู่ที่10บเจ็บถึงสิคือตายทุกคนยกตัวอย่างในดุญญนยาการลงโทษในไฟนรกมันทะลุสิบไปแล้วโดยที่ไม่มีคําว่าความตายรออยู่ มันขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจริงๆมันไม่ค่อยคยขึ้นหรอกมันพุ่งพรวดเลยแล้วมันอาจจะไปถึงหมื่นอาจจะไปถึงแสนอาจจะไปถึงล้านพี่น้องจินตนาการออกไมล่าว่ามันคือความทรมานขนาดไหนไม่มีใครทนได้พี่น้องไม่มีใครทนได้แต่ถูกบังคับให้ทนในดุนยาทุกอย่างเลยยังทนได้พี่น้อง ไม่มีอะไรทะ่เรทนไม่ได้จริงๆเรายังทนได้ทุกเรื่องพี่น้องถ้าทนไม่ได้มันต้องตายแต่ถ้าเรายังไม่ตายแปลว่ามันยังทนได้อยู่บางคนบอกอาจารย์ฉันนทดสอบเมื่อไงมันหนักเ ก, กินมันทนไม่ได้ยังมันยังไม่ใช่สิ่งที่เรียก ว, ว่าทนไม่ได้ไปดูคนก่อนหน้านี้โดนมาบ้างโดนหนักกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าถึงขั้นว่าโพลล์ลต้องให้เราขอดุทิศว่าว่าโอ้ยล้โปว ด, ปดจะทดสอบชั้นเหมือนกับที่คนก่อนหน้านี้โดน พอพวกเรารู้ว่าพวกเราถ้าโดนอย่างนี้นเราทนกันไม่ไหวเราอยู่ในยุคที่มันสบายเกินไปซึ่งพวกเราก็ไม่เลยว่าแล้วเอาดูอาสิโอ้ละละตุหามินเมาลาตอกตาลนาบีอะไรที่มันเกินความสามารถเราก็ไม่เอาเลยนะแล้วก็อย่าให้เราแบกรับอะไรที่พระองค์ให้คนก่อนหน้าเราแบกรับแปลว่าทรมานจนตายเนี่ยมันไม่มีเราอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงซึ่งพวกเราล้อซุบฮะอัตตาลาเตือนเราไว้ว่าโลกหน้าเนี่ยความตายไม่เหลือแล้วนะ แล้วความทรมานแนวไฟอ่ะแค่ไฟอ่ะพี่น้องที่ทําให้เราตายในดุนยาเนี่ยมันเป็นแค่ขี้ประติวของไฟนรกแล้วมันทําให้เราตายถึงความทรมานสิบหน่วยที่ว่าแล้วเกินสิบหน่วยได้เนี่ยแล้วถ้ามันเกินสิบหน่วยมันจะเกินไปขนาดไหนมันจะทรมานยังไงมันจะร้อนขนาดไหนแลายามูตัจะขนาดไหนไม่รู้รู้อย่างเดียวจะไม่ตายอย่าไม่มีคําว่าตายรออยู่แล้วถ้าทรมานขนาดนั้นจะเรียกว่าเป็นคนเป็นได้ไหม มันก็เลียกไม่ได้หรอกพี่น้องเพราะคนเป็นมันก็ต้องทําอะไรได้พี่น้องเคยทรมานมากมากไหมอย่างถ้าเกิดใครเคยเป็นเกาใครเคยเจ็บท้องใครเคยปวดหัวใครเคยอะไรก็ตามแต่ที่มันทรมานมากๆตอนที่มันเจ็บปวดมากๆามีคนมาชวนคุยเนดะี๋ยพี่น้องคุยได้ไหมคุยไม่ได้แล้วบางทีถ้าเจ็บยังไม่เยอะหญิงพอฝืนคุยได้อยู่แต่ถ้าเจ็บหนักๆเนี่ยใครมาคุยมากๆแล้วรู้สึกอยากไล่เข้าไปไกลนี้ซ้ําคือไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะคุยแล้วมันก็คุยไม่ได้ ถ้ามันความทรมานมากกว่านั้นล่ะแล้วมันไม่ตายจะเรียกว่าเป็นอยู่ไหมความคิดความอ่านจะเป็นยังไงรูปร่างที่มีแต่เสียงหวีดร้องกีดร้องที่ออกมาจากเราที่เสียงกีดร้องของชาวนรกที่ฟังปุ๊บจะขนลุกขนชันกันหมดแต่ถ้ามันเป็นเสียงที่ออกมาจากปากเรานโอรบินามีอะไรข้อล็กคุมคลองอย่าให้เราเป็นอย่างไงผู้ถูกลงโทษไม่ว่าอยู่ฝั่งสอบหรือว่าในไฟายนรกแล้วยามูตุฟีฮะเวลายอย่าโพลกับอันอิสลามทีเดียรครับผม ลายุฟโดอาเลหิมลหพวกเขาจะไม่ถูกทำให้ตายลายุ d o ดอาเลหยุฟดดนี่คือคำที่ชาวนารลกจะพูดกับมายแกบอกว่าท่าน ok ช่วยบอกกับนายทีว่าให้เราตายไปเถิด ดุลยามีไม่มีครับผมคนที่ถูกทรมานจงร้องขอความตายเนี่ยดุลยามีเป็นบททดสอบที่หนักเกินจินตนาการผมก็จินตนาการไม่ถึงแต่มีครับหลายครั้งก็งดูในช่วงสงครามช่วงที่มันมีการปุกคล้องแบบกดขี่ข่มเหงเนี่ยบางคนจะโดนทรมานหนักมากๆจนร้องขอความตายคือไม่ร้องขอให้รอดแล้วอ่ะแต่ขอว่าให้ฆ่าเคขาให้เขาตายจะได้จบจบจากความทรมานแต่ยำ้ำในไฟนรกมันเกิน ตรงนั้นไปหลายเท่าแล้วจึต้องร้องขอความตายและยุฟโดอาละยูฟายามูตุเขาจะไม่ถูกจัดการเพื่อให้พวกเขาตายเวลายุคฟ ah ้าฟูอันโุมินาดาบิฮาแล้วเขาก็จะไม่ถูกลดความรุนแรงของการลงโทษที่พวกเขาต้องประสบขอด่วาให้มันเป็นพวกเขาพี่น้องขอด่วาให้มันเป็นพวกเขาที่ไม่ใช่พวกเรา ที่ไม่ใช่ตัวเราพี่น้องอินทรีลายว่าอินทร์อะไรทีรอยชูนเขาพืลอละคุ้มของพวกเราทุกคนให้รอดผลครับผมคุณรานีสลามาลามาวาราคีคุณสลามัลตุลลอฮฺบะเบลกาตุณขุนชัยนะบอมาสายไม่ได้มีใครมาสายหรอกครับจริงๆวันนี้มันต้องไม่มีการเรียนการสอนผมแค่สอนซ่อมเฉยๆท่านที่มาขอบคุณมากๆอีกครั้งครับคุณมุนาครับสลามมาวารีคุณสลามัลตุลลอฮฺบะเบลกาตุคุณฮันะนะครับก็สลามมาก็วารีคุณสลมอัลตุลลอฮฺบะเบลกาตุครับผมพี่น้องครับความยากลำบากเนี่ย ความทรมานเนี่ยล็อกก่าเช่นในกานิโรซาครับกุลมานาลีจัตจรดุมบัดเดนนาหุมจรเดินไรรอ่าถ้าเมื่อไรก็ตามะนะที่ว่าผิวหนังเนี่ยมันมันสุกนาลีจัแตแปลว่าสุกพี่น้องเมื่อไรก็ตามที่ผิวหนังสุกเราก็จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้กับเขาหนังสุก แล้วก็เปลี่ยนให้ด้วยเป็นความชรมานที่อยู่ต่อเนื่องไม่มีเวลาพักเลยครับเวลาเดายามาลิกลียะกรดีอะไรนารับบุกกอลอินนะกุมมากริซูนแล้วก็จีน่ า, ก, า, ก, นา ก, กุมบิลฮักเวลากินนักพระระกุมบิลฮักกิแกริฮุนเมื่อตอนที่ชาวนรกจะบอกว่าโ อ, า อ, อ้มาลิกเอ๋ยมาลิกคือใครครับผู้ที่คุมนรก ผู้ที่ดูแลนรกซึ่งคนดูแลนรกองที่เราทราบก็คือมีแค่สิบเก้าท่านอาเทาติซาดาอาชัดมีแค่สิบเก้าท่านดูแลนรกจัด ก, การชาวนากเป้คบหมดเลยเมื่อเขาเรียกร้องบอกว่าลียะกกดีไอได้รับบุคคลให้นายของคุณเนี่ยจาัด ก, การเราเถิดยังไม่ใช่คำว่านายของเรานะใช่คำว่านายของคุณนะเพอรู้ว่าพวกเราไม่นับด้วยแล้วก็อะไรอินปุมมากี่ซุ่นมาเลย ก, ก็พูดไม่ใช่คำปอบนะแกอยู่ในนี้แหละพวกเจ้าอยู่ในนี้แหละ พวเราก็เลยบอกว่าเราได้ให้ศัจธรรมมาหาเจ้าแล้วแต่ว่าส่วนมากของพวกเจ้านั้นรังเกียจสิ่งที่ถูกต้องเข้าตัวนัวเนีหยธรรมชาติของมนุษย์เรารังเกียจสิ่งที่ดีงามเรารังเกียจความถูกต้องเรารังเกียจสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ดีเราชอบสิ่งอื่น พีฮะวัลลัยา ย, ายาครับพี่นักศึกษาคินชาร์ล็อตครับครั้งต่อไปนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับถึงองค์ประกอบเงื่อนไขผัวไฟนรกใช่ไหมล่ะผัวล็อตบอกให้ว่าคนที่จะรอดเนี่ยเป็นคนที่ต้องมี3คุณลักษณะ3คุณลักษณะที่ว่าเป็นยังไงครับอินชาร์ล็อตเมื่อเรามาคุยกันต่อครับก็ขอดูอาจากผัวล็อตสุบฮานุวัตตาผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียงไกล ผู้ที่ไม่มีพระเจ้าในนอกจากพระวกผู้ที่ไม่มีบิดาผู้ที่ไม่มีบุตรผู้ที่มิวไเส์เหมือนพวกแน่นอนขออวยจากพกระลอสซาบลาครับให้คุ้มครองปกป้องเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในหดุฝังศพให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกไม่ว่าจะเป็นพิพตาเดียวหรือไม่ว่าจะเป็นตลอดกาลแน่นอนครับชาวนรกนั้นมีแค่2ประเภท ชาวในรกที่เป็นผู้ที่ได้อยู่เน้นตลอดการกับผู้ที่ไปอยู่แค่ชั่วขาวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามยอมละ่ะเราไม่ขอเป็นสักกลุ่มเราขออยู่ในกลุ่มของบ่าวที่พวงล้อรักถึงแม้เรานั้นจะมีความชั่วมหาศาลมีสิ่งที่ผิดมากมายถึงแม้ว่าเราจะบกพ้องในหลายๆอย่างก็ตามยอมละ่ะโปรดเมตตาเราโปรดโปดอภัยโทษให้กับเราโปรดยกโทษให้แก่พวกเราโปรดนาทางพวกเรา แล้วก็ขอให้เรานั้นมีชัยเหนือเวลาผู้ไปเสดสทาครับโอ้ล้อหักพงค์จะทดสอบสิ่งใดก็ตามสําหรับพวกเราขอให้มันเป็นบททดสอบหนักๆเหมือนกับที่พรงศ์เคยทดสอบคนก่อนหน้าเราโอ้พงศ์ล้อ ห, หักพงศ์จะทดสอบอะไรกับเราก็ตามขอพงศ์ล้อให้ความง่ายดายแก่เราโปรดช่วยเหลือเราโปรดเมตตาเราพงศ์นั้นเป็นนายของเราเป็นที่รักของเราแล้วก็ขอให้เรานั้นได้อยู่กับบุคคลที่เรารักท่านอับดุลเบียร์มอลมัสลูนะอิสลามและอัครสาวก ข, ข, ของท่านเรานั้นรักอับเบียเรานั้นรักสหาบย เราพยายามจะทําตัวให้พระ อ, องค์รักตามที่ท่านอบีมัสลิมได้สอนเราให้ใกล้เคียงกับที่บรรดาซาร์บัตท่านได้เป็นแบบอย่างให้แก่เราแต่แน่นอนความบกพ้องเรามีเยอะเราก็ได้แต่หวังความเมตตาของพระองค์แล้วก็การให้ไปช่วยต่อพระองค์ครับทําตัวให้พระองค์รักให้มากๆากเท่าที่จะเป็นไปได้ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปชี้หน้าด่าคนอื่นก่อนที่จะไปสนว่าคนอื่นบกพร่องตรงไหนบ้าง ให้เรามองตีให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะถึงเวลาครับเรามาในดุญยาเรามาคนเดียวเมื่อเราจากไปเราก็จะจากไปคนเดียวเมื่อเราต้องถูกสอบสวนต่อนหน้าพระอัคเราเราก็ต้องถูกสอบสวนตามลำพังอ ก, ก, าากรูคารีฮะลาวัซขุลลอฮ์ัลีบะละคุมมาริไซลมุสลิมีนะมินกุลย์ลมสัสกริรุอินนะฮฺวะลกฟุรอัลรอฮิมซุบฮะนัลกลลามัยฮัมดิคะอัชฮัดวะลาอิลัยลอนตะอสักุกะตูบริษัทนะมาริทุลลอฮ์วะบาริกะตูฮับ